นัติกำ ม, มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้อาจารย์ยอดจะนำเรื่องราวของพระอาจารย์มั่นภูริทะัตะถิระซึ่งความจริงชื่อเสียงของท่านผู้คนรู้กันมานานแล้วแต่ก็ยังมีท่านผู้ฟังอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่ได้ทราบเรื่องราวชีวประวัติปฏิปทาขั้นสูงของท่าน อาจารย์ยอดก็เลยจะนำเอาเรื่องราวของท่านมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นคติธรรมสำหรับท่านที่สนใจในธรรมะทำไมพระอาจารย์มั่นถึงได้รับการยกย่องสรรเสริญว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมกรรมฐานผู้เยี่ยมยอดที่สุดในยุคนี้ทั้งนี้ก็เพราะว่าคุณสมบัติอันประเสริฐเลิศมนุษย์ของท่านก็คือท่านมีนิสัยพูดจริงทาจริงไม่เละแหล มีความภาคเพียรอย่างยอดเยี่ยมไม่ลดละไม่ท้อถอยตลอดชีวิตการเป็นนักบวชอันยาวนานถึงห้าบแปดพรรษาท่านไม่ยอมลดละความเพียรทุกเวลานาทีจะละความเพียรก็เฉพาะเวลาพักผ่อนหลับนอนเล็กน้อยเท่านั้นพอรู้สึกตัวตื่นขึ้นท่านจะรีบลุกขึ้นล้างหน้าทัานทีไม่ยอมตกเป็นท่าของความง่วงท่านจะเดินจงกรมให้หายง่วง ถ้ายังไม่หายง่วงนอนท่านก็จะเดินด้วยเอริยาบทเร็วๆจนกว่าจะหายต่อจากนั้นท่านก็จะนั่งสมาธิภาวนาพิจารณาธรรมะของพระพุทธองค์ขับเคียวต่อสู้กับกิเลสมันในตัวเองอย่างเอาเป็นเอาตายไม่กลัวความตายแต่กลัวความบาปหาทุกข์การเวียนว่ายอยู่ในวัฏะสงสารมีความตั้งมั่นอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะซักพอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผุดพอง เพื่อที่จะได้ก้าวพ้นจากโลกไปสู่แดนว่างแห่งการรอดปลอดทุกข์อันเป็นแดนสุขอย่างประเสริฐนั่นก็คือแดนพระนิพพานพระอาจารย์มั่นท่านกล่าวว่านิพพานังประมังสุ ข, ขังนิพพานเป็นแดนสุขอย่างยิ่งเป็นแดนของพระวิสุทธิเทพคือพระอาหารหันต์ผู้สเสวยความสุขอยู่ในแดนพระนิพพานท่านกล่าวอีกว่านิพพานังประมังศูอย่าง รูปก็ศูนย์เวทนาก็ศูนย์สัญญาศูนย์สังขารศูนย์วิญญาณศูนย์แต่จิตยังอยู่ผมเคยฟังเรื่องราวของท่านสาธุคุณนักบุญฟรานซิสแห่งแอตซิซีในคริสตศาสนาท่านนักบุญฟรานซิสนี่สามารถทําให้สัตว์ ร, ร้ายในป่าทุกชนิดเชื่องได้ท่านพูดกับหมาป่าพูดกับเสือพูดกับงูพิษแล้วก็สัตว์ ร, ร้ายอื่นๆรู้เรื่องหมดต้องการจะเรียกให้สัตว์เหล่านี้มาหาเมื่อไหร่ ก็สามารถเรียกได้ตามต้องการแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลเป็นร้อยร้อยไมล์คือท่านเรียกศาสร้ายเหล่านี้ทางกระแสจิตเรื่องของนักบุญฟรานซิสในคริสตศาสนานี้ก็ทำให้นึกถึงเรื่องของท่านพระครูอุดมธรรมคุณคือพระมหาทองสุขสุจิตโตท่านได้เดินทุดงขึ้นภาคเหนือเพื่อที่จะไปกราบนมัส ก, การพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระ พระอาจารย์ใหญ่ซึ่งกำลังบำเพ็ญเพียรอยู่ที่บ้านกกกอกจังหวัดเชียงใหม่ในระหว่างเดินทางคืนวันหนึ่งขณะที่ท่านพระครูอุดมธรรมคุณกำลังเดินจงกรมอยู่ในป่าเป็นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สาขาล่มกรึมกลางแสงเดือนงายนั่นเองท่านได้ยินเสียงสุนัขป่าฝูงหนึ่งส่งเสียงเห่าหอนกันสนานป่า เสียงนั้นบอกว่าจะต้องเป็นสุนัขป่าฝูงใหญ่ทีเดียวเพราะว่ามันเห่าหอนรับกันเซ็งแซ่กล้องไปทั้งป่าเป็นเวลานา น, านกว่าจะหยุดพออยุดสักครู่ก็เห่าหอนอีกเกลียวกราวน่ากลัวมากเป็นที่รู้กันมานานแล้วว่าถ้าสุนัขป่ารวมฝูงกันเมื่อไรแม้แต่เสือหรือช้างหรือหมีซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่เจ้าป่าก็จะต้องรีบเด้นหนีทันทีด้วยความเกรงกลัว สุนักป่ารวมฝูงกันมีความดุร้ายเหี้มหันมากมันจะสู้ดะไม่เลือกหน้าแล้วสู้อย่างบ้าคลั่งไม่กลัวตายท่านพระครูอุดมธรรมคุณเล่าว่าฝูงสุนักป่าได้เข้ามาล้อมท่านไว้เป็นวงกลมรอบด้านมีประมาณยี่สิบตัวแต่ละตัวใหญ่มากมันพากันนั่งบัางหมอบบัางแลบลิ้นเห็นเกี้ยวขาวน่ากลัวจริงๆท่าทางดุร้ายกระหายเลือดมองจ้องท่านอย่างเต็ ม, ไ, มได้วยความประสงร์ร แต่ท่านก็ไม่รู้สึกกลัวแต่มีอาการขนพองสยองกล้าวจนตัวชาไปหมดถ้ามันจะพากันกระโจนเข้ารุมกัดเวลานั้นท่านไม่มีทางจะรอดตายไปได้เลยมันจะต้องรุมกัดถึงกินเนื้อท่านเหลือแต่กระดูกแน่ๆท่านก็พยายามทำใจให้สงบกำหนดจิตภาวนาพุโทโธพุโทโธแผ่เมตตาให้มันอย่ารังแกซึ่งกันและกันเลยอย่ามีเวรภัยต่อกันและกันเลย ขอให้พวกมันจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดท่านมาในป่านี้ไม่ได้มาเบียดเบียนใครมาเพื่อบำเพ็ญสมณะธรรมพอท่านแผ่เมตตาให้มันก็ห่าหอนกันใหญ่ขยับตัวคลานเข้ามาแสดงท่าดุร้ายไม่ยอมรับเมตตาธรรมมุ่งหน้าจะกัดกินท่านให้ได้ท่านก็เร่งภาวนาใหญ่เพื่อจะอย่างจิตลงสู่ห้วงสมาธิไม่อะไรในสังขารถ้ามันเห็นท่านเป็นเยือนโอชะอยากจะกินก็เอาเลย ท่านพร้อมแล้วที่จะเสียสละชีวิตและเลือดเนื้อเป็นทานแก่พวกมันผู้หิวโหวยท่านเล่าว่าเมื่อจิตไม่อะไรในสังขารอย่างนั้นแล้วจิตก็ย่างสู่สมาธิอย่างรวดเร็วหน้าพิศวงท่านใดนั้นก็ได้นิมิตเห็นพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระปรากฏขึ้นในห่วงสมาธิเห็นพระอาจารย์มั่นเดินออกจากป่าตรงเข้ามาหาแล้วก็พูดกับูงสุนักป่านั้นด้วยถ้อยคาที่เปี่ยมเมตตา บอกว่าอย่านะนี่คือสมณะผู้ครองธรรมพวกเจ้าจะทำอันต ร, รายพระไม่ได้พวกเจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานชาติก็ถือว่ามีบาปกรรมอันหนักอยู่แล้วอย่าหาเวรภัยใส่ตัวให้ทับถมเป็นกองใหญ่อีกเลยโอกาสที่พวกเจ้าจะได้ไปเกิดในภพชาติอันเจริญจะไม่มีหากทำอันต ร, รายพระผู้บาเพ็ญเพียรสร้างบารมีธรรม พอพระอาจารย์มั่นพูดจบลงฝูงสุนัขป่าเหล่านั้นก็พากันเข้าไปรุมล้อมใช้จมูกสูดดมเท้าและเลียแข้งเลียขาพระอาจารย์มัน่นส่งเสียงครางหงิงหงิงกระดิกหางไปมาสแสดงความรู้ภาษาแล้วก็รักใคร่ในตัวท่านต่อจากนั้นมันก็พากันเดินหางตกเลี่ยงไปอย่างเงียบเงียบพระอาจารย์มั่นก็ยิ้มให้ท่านพระครูอุดมธรรมกุณหน่อยหนึ่งแล้วก็หายวับไปท่านรู้สึกประหลาดใจในนิมิตนี้มาก พอลืมตาขึ้นอีกครั้งก็ปรากฏว่าได้เวลารุ่งสสงสว่างแจ้งแล้วรู้สึกเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วและสุนัขป่าผงนั้นก็ได้หายไปเช่นเดียวกันต่อมาอีกสองสาวันพระครูดมธรรมคุณก็ได้พบกับท่านพระอาจารย์มั่นกลางทางในป่าอย่างไม่นึกหวนพระอาจารย์มั่นท่านก็ยิ้มทักทายฉันเมตตาจิตแล้วก็บอกว่าผมไปอยู่บนดอยแม่กระตากับพวกมูเซอรู้ว่าคุณมาตามหา เห็นหนทางไปยากลนะําบากนักเกรงว่าคุณจะไปแล้วหาไม่พบผมก็เลยรีบมาหาพระครูดมธรรมคุณได้ฟังแล้วถึงกับตะลึงขนลุกสู้ไปหมดด้วยความอศัศจรรย์ใจที่ท่านพระอาจารย์มั่นรู้ได้ยังไงว่าท่านกําลังดั้นด้ น, ดนบุกป่าฝ่าดงมาหาแต่แล้วก็ต้องตะลึงหนักเข้าไปอีกเมื่อพระอาจารย์มั่นถามว่าเมื <c red ing> ่อคืนนั้นนะ่ะคุณกลัวหมาป่าจะกัดกินเนื้อมากนะักเหรือผมเอง ส่งกระแสจิตมาไล่หมาป่าฝูงนั้นให้หนีไปก็เพราะเห็นว่าลําพังคุณนะคงจะแผ่เมตตาให้มันไม่รู้เรื่องเพราะว่ากําลังจิตของคุณยังไม่แก่กล้าพอจะคุ้มตัวได้เพราะว่าหมาป่าผูงเนี่ยมันดุร้ายป่าเถื่อนมากผมเห็นว่าศสนาบา ร, รมีของคุณพอที่จะบําเพ็ญเพียรต่อไปได้อีกไกลจึงช่วยไล่หมาป่าฝูงนั้นให้หนีไปพวกมั น, นเป็นเจ้ากรรมนายเวรเก่าของคุณนะ แต่เมื่อผมมาห้ามพวกมันไว้ไม่ให้ทำอันตรายคุ ณ, คณกรรมเก่าที่ผูกพันกันมาก็เป็นอโหสิกรรมไปต่างฝ่ายต่างก็พ้นจากการจองเวรกันแล้วก็จะไปดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะพระครูดมธรรมคุณฟังแล้วก็ก้มลงกราบเท้าพระอาจารย์มั่นครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยความสำนึกในเมตตาธรรมอันมีอุปการะคุณหล้นพลเสร็จแล้วก็กราบเรียนพระอาจารย์มั่นว่าไม่ได้คิดกลัวฝูงสุนัขป่านั้นเลย ได้ตัดสินใจอุทิศชีวิตร่างกายให้เป็นเหยื่อของมันด้วยความยินดีพระอาจารย์มัน่นขวัวเราะแล้วก็บอกว่าดีแล้วละ่ะคุณคิดถูกแล้วแต่อาการที่คุณขนพองสยองกล้าวนะั้นแสดงว่าจิตคุณยังกลัวอยู่หากแต่ตัดใจคมได้ด้วยอำนาจธรรมะปัญญาต่อไปนี้คุณคงไม่กลัวตายอีกแล้วนะเมื่อไม่มีความกลัวไม่มีความอะไรในชีวิตเลือดเนื้อยอย่างจริงใจแล้ว จิตก็บริสุทธิ์ผุดผ่องเต็มที่ไม่มีจุดด่างพร้อยทมปัญญาก็จะผุดขึ้นเป็นแก้วสารพัดนึกในที่สุดเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นว่าอำนาจมหัศาจรรย์ทางจิตของพระอาจารย์มั่นภูริทัตะเทระซึ่งมีทิพยยะจักษุคือตาทิพและก็เจโตปริยญาณยารู้จิตใจผู้อื่นพระอาจารย์มั่นสามารถรู้เห็นได้รวดเร็วแผ่คลุมไปทั่วกว้างขวางมากอย่างไม่มีขอบเขต อันนี้เป็นผลจากการบำเพ็ญภาวนาอย่างเคร่งครัดยิ่งยวดจนบรรลุธรรมบิเศษอันเป็นธรรมที่พ้นโลกอยู่เหนือโลกแล้วก็ไม่ถูกจากัดด้วยการเวลาด้วยประการทั้งปวงท่านสามารถส่งกระแส จ, จิตแล้วก็ส่งภาพของท่านให้มาปรากฏในห่วงสมาธิของพระลูกศิษย์ที่อยู่ห่างไกลหลายกิโลเมตรได้อย่างแจ่มชัดแล้วก็ยังสามารถพูดจากับหูงหมาป่าได้รู้เรื่องอีกด้วยอย่างเช่นท่านนักบุญฟรานซิส อย่างที่กล่าวมาแล้วยังมีเรื่องเกี่ยวกับอํานาจมหาสา ร, รย์ทางจิตของพระอาจารย์มั่นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องลี้ลับน่าพิจารณาและน่าสงสัยอยู่มากสําหรับเราซึ่งเป็นปุถุชนยังติดข้องอยู่ในข่ายแห่งความสงสัยไม่เชื่ออะไรที่แปลกๆเอาง่ายๆพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนเล่าว่าสมัยเมื่อพระอาจารย์มั่นพักอยู่ที่วัดบ้านหนองผือตําบลนาไนาอําเภอพารนานิคม จังหวัดสกลนอครบ้านหนองผืนนี่ตั้งอยู่ในหุบเขาทั้งสี่ด้านมีป่ามีเขามากไปจรวดแดนกาละสินเป็นจุดศูนย์กลางแห่งพระธุดงค์กรรมฐานในสมัยบ้านปลายชีวิตของพระอาจารย์มั่นมีอุบาสิกานุ่งขาวห่มขาวคนหนึ่งมีความเคารพเรื่มใสในพระอาจารย์มั่นมากมาเล่าเรื่องของตัวเองถวายท่านว่า ขณะที่อุบาสิกานุ่งขาวห่มขาวผู้นี้แกนั่งสมาธิภาวนาตลอดกลางคืนยามดึกสงัดเพราะจิตรวมสงบลงพลันก็เห็นกระแสจิตของตัวเองออกจากดวงจิตเป็นสายใหญ่ยาวเหยียดออกนอกกายนอกใจไปสู่ภายนอกแกก็เกิดความสงสัยเป็นล้นพ้นก็กำหนดจิตดูว่ากระแสจิตนี้มันไหลออกไปทำไมแล้วก็จะไปเกี่ยวข้องกับอะไร พอแกตามกระแสจิตอันละเอียดเป็นสายใหญ่ไปนั้นก็พบว่ากระแสจิตของแกไปเข้าที่ร่างของหลานสาวคนหนึ่งเพื่อที่จะจับจองที่เกิดในท้องหลานสาวซึ่งอยู่หมู่บ้านเดียวกันแกก็รู้สึกตกใจมากเพราะว่าตัวเองยังไม่ตายทําไมจิตถึงส่งกระแสออกไปจับจองที่เกิดเอาไว้แล้วอย่างนั้นก็รีบย้อนจิตกลับมาที่เดิมแล้วก็ถอนจิตออกจากสมาธิทันทีแกใจไม่ดีเลยนับตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมา ในระยะเดียวกันก็ปรากฏว่าหลานสาวคนนั้นเริ่มตั้งครรภ์มาได้เดือนหนึ่งแล้วเช่นเดียวกันพอตื่นเชา้าวันหลังแกก็รีบมาวัดมาเล่าเรื่องนี้ถวายพระอาจารย์มั่นเวลานั้นมีพระเนนหลายรูปนั่งฟังอยู่ด้วยต่างก็งงไปตามๆกันพระอาจารย์มั่นท่านก็นั่งหลับตานิ่งอยู่ประมาณสองนาทีแล้วก็ลืมตาขึ้นอธิบายปรากฏการแปลกประหลาดนั้นให้อุบาสิกาผู้นั่นฟังบอกว่า เมื่อจิตรวมสงบลงคราวต่อไปนะให้โยมตรวจดูกระแสจิตให้ดีถ้าเห็นกระแสจิตนั้นส่งออกไปภายนอกอย่างที่โยมว่านั้นให้กำหนดจิตตัดกระแสจิตนั้นให้ขาดด้วยปัญญาถ้ากำหนดตัดขาดด้วยปัญญาจริงๆต่อไปกระแสจิตนั้นจะไม่ปรากฏแต่ว่าโยมต้องกำหนดดูกระแสจิตนั้นด้วยดีแล้วก็กาหนดตัดให้ขาดด้วยปัญญาจริงๆอย่าทาเพียงแต่ว่าทาเท่านั้น เดี๋ยวเวลาตายแลยโยมจะไปเกิดในท้องหลานสาวน่จะหาว่าอาตมาไม่บอกนี่คือคำบอกของอาตมานะจงจำให้ดีถ้าโยมกาหนดตัดกระแสจิตนั้นไม่ขาดเวลาโยมตายต้องไปเกิดในท้องหลานสาวแน่ๆไม่ต้องสงสัยพออุบาสิกาผู้นั้นได้รับคำแนะนำจากพระอาจารย์มั่นแล้วก็กลับบ้านไปราวสงวันแกก็กลับมาหาท่านอีกสีหน้ายิ้มแย้มแจม่มใสามาก พอแกนั่งลงเท่านั้นพระอาจารย์มั่นก็ถามเป็นเชิงเล่นบ้างจริงบ้างว่าเป็นไงโยมห้ามกระแสจิตตัวเองอยู่หรือเปล่าที่จะไปเกิดกับหลานสาวทั้งที่ตัวเองยังไม่ตายอ่ะนะแกก็เรียนตอบท่านทันทีว่าโยมตัดขาดแล้วคืนแรกพอจิตรวมสงบลงสนิทแล้วกําหนดดูก็เด่นชัดอย่างที่เห็นมันส่งกระแสไปอยู่ที่ท้องหลานสาวโยมก็กําหนดตัดกระแสจิตพิลุกนั้นด้วยปัญญาอย่างที่หลวงพ่อบอกจนมันขาดกระเด็นไปเลยแล้วเจ้าค่ะ เมื่อคืนนิยมกําหนดดูอีกอย่างละเอียดเพื่อความแน่ใจไม่ปรากฏว่ามีอีกเลยมันหายเงียบไปวันนี้อยู่ไม่ได้ก็เลยต้องรีบมาเล่าถวายให้หลวงพ่อฟังพระอาจารย์มั่นท่านก็บอกว่านี่แหละความละเอียดของจิตคนเราจะรู้เห็นได้จากการภาวนาสมาธิเท่านั้นวิธีอื่นไม่มีทางรู้ได้จิตของคนเรามันลึกลับเราจะไปรู้เห็นมันด้วยวิธีการนึกดาวเอาตามตาราไม่ได้ ต้องลงมือปฏิบัติจิตสมาธิจริงๆถึงจะรู้แจ้งเห็นจริงโยมก็เกือบจะเสียตัวให้กิเลสขับใสไปเกิดในท้องหลานสาวแบบไม่รู้ตัวแล้วไหมล่ะแต่ก็ยังดีที่ภาวนาสมาธิจนรู้เรื่องของจิตเสียก่อนแล้วก็รีบแก้ไขกันทันเหตุการณ์ฝ่ายหลานสาวคนนั้นพอถูกคุณยายอุบาสิกาตัดกระแสจิตขาดจากความสืบต่อก็ปรากฏว่าหล่อนได้แท้งลูกในระยะเดียวกันน่าประหลาดมหัศจรรย์จริงๆ ปัญหาที่ว่าคนยังไม่ตายทําไมจึงเริ่มไปเกิดในท้องคนอื่นแล้วอย่างนี้พระอาจารย์มั่นไดเฉลยปัญหานี้ให้พระเนรลูกศิษย์ทั้งหลายที่สงสัยเป็นล้นพลพวงว่าจิตเป็นแต่เพียงเริ่มต้นจับจองที่เกิดไว้เท่านั้นยังไม่ได้ไปเกิดเป็นตัวเป็นตนโดยสมบูรณ์ถ้าคุณยายอุบาสิกาคนนั้นไม่รู้ทันปล่อยให้จิตเกาะเกี่ยวกับการเกิดในท้องหลานสาวจนทารกในคันปรากฏเป็นตัวเป็นตนตสมบูรณ์ขึ้นมาเมื่อไหร่ คุณยายคนนี้จะตายทันทีต่อปัญหาว่าที่ว่าการที่คุณยายคนนั้นตัดกระแสจิตตัวเองจนหลานสาวแท้งลูกจะไม่เป็นการทําลายชีวิตมนุษย์ในคันหรือพระอาจารย์มั่นตอบว่าจะเป็นการทําลายก็แต่เฉพาะกระแสจิตตัวเองนั้นไม่ได้ตัดหัวคนที่เกิดเป็นตัวเป็นตนแล้วแต่อย่างใดเพราะว่าจิตแทมยังอยู่กับคุณยายส่วนกระแสจิตที่แกส่งไปยึดไว้ที่หลานสาวนะเพราะแกะรู้สึกตัวก็รีบแก้ไขคือตัดกระแสจิตของตัวเสีย ไม่ให้ไปเกี่ยวข้องอีกต่อไปเรื่องก็ยุติกันไปเท่านั้นอีกอย่างก็คือทารกในคันนั้นเพิ่งมีอายุได้หนึ่งเดือนเท่านั้นเป็นเพียงแค่ก้อนเลือดยังไม่เป็นตัวตนแต่อย่างใดมีอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับอานาจทิพะจักรสุและก็เจโตปริยญาณของพระจันมั่นสมัยเมื่อพระจั์มั่นพัก บำเพ็ญเพียรกรรมาฐานอยู่ที่ถ้ำสัริกาเขาใหญ่นครนายกท่านเล่าว่าที่ชายเขาทางขึ้นไปถ้ำสัริกาที่ท่านพักอยู่นั้นมีสำนักบำเพ็ญวิปัสสนาอยู่แห่งหนึ่งมีขัวตาองค์หนึ่งพักอยู่บำเพ็ญสมณธรรมคืนวันหนึ่งพระอาจารย์มั่นก็คิดถึงขรัวตารูปนี้ว่าครัวตากาลังทำอะไรอยู่หนอเวลานี้แล้วท่านก็กาหนดจิตส่งกระแสจิตลงมาดู ขณะนั้นพอดีเป็นเวลาที่ขรัวตากําลังคิดวุ่นวายไปกับกิจการบ้านเมืองครอบครัวของตัวให้ยุ่งไปหมดเรื่องที่ขรัวตาคิดก็เกี่ยวกับอดีตของตัวเองทางนั้นพอตกดึกประจันมั่นก็ส่งกระแส จ, จิตลงมาดูขรัวตาอีกก็พบว่าขรัวตากําลังคิดห่วงลูกคนนั้นหลานคนนี้อยู่ร่ําไปจวนสว่างท่านส่งกระแส จ, จิตลงมาดูอีกขรัวตาก็ยังไม่หลับไม่นอนกระสับกระส่ายคิดห่วงหน้าพระวงหลังห่วงลูกห่วงหลานวานุ่นวายไปหมด ท่านก็ถอนใจเวทนายิ่งนักที่ครัวตาอุสาบวชมาตั้งนานแล้วยังตัดภาระความผูกพันกับครอบครัวไม่ขาดคิดแต่จะสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างภพสร้างชาติสร้างวัตะสงสารไม่มีสิ้นสุดตอนเชา้าพระอาจารย์มั่นลงจากธรรมมาบินทบาตขากลับก็เลยแวะไปเยี่ยมครัวตาถึงที่พักแล้วก็พูดเป็นเชิงปัญหาว่า เป็นยังไงบ้าง่ะครับหลวงพ่อปลูกบ้านใหม่แต่งงานก็คู่ครองใหม่แต่ว่าเป็นแม่อีหนูคนเก่าเมื่อคืนเนี้ยตลอดคืนไม่ยอมนอนอ่าเรียบร้อยแล้วด้วยดีไม่ใช่หรือครับคืนต่อไปคงจะสบายใจไม่ต้องวุ่นวายจัดแจงสั่งลูกคนนั้นให้ทำสิ่งนั้นสั่งหลานคนนี้ให้ทำงานสิ่งนี้อีกระมัง เมื่อคืนนี้รู้สึกว่าหลวงพ่อมีงานมากวุ่นวายพอดูแทบไม่ได้พักผ่อนหลับนอนเลยไม่ใช่หรอครับหัวตากับฟังก็ตะลึงด้วยความอัศจรรย์ใจแล้วก็ยิ้มอาๆถามว่าท่านพระอาจารย์รู้ด้วยหรอครับพระอาจารย์มั่นท่านก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าผมเข้าใจว่าหลวงพ่อจะรู้เรื่องของตัวเองดียิ่งกว่าผมซึ่งเป็นผู้ถามเป็นไหนๆแต่ทาไมกลับมาถามผมอย่างนี้อีก ผมเข้าใจว่าความคิดปรุงของหลวงพ่อเนี่ยเป็นไปด้วยเจตนาและพอใจความคิดนั้นๆจนลืมหลับนอนไปทั้งคืนแม้แต่รุ่งเช้าตลอดมาจนกระทั่งถึงเวลานี้ผมก็เข้าใจว่าหลวงพ่อจงใจคิดเรื่องนั้นอยู่อย่างเพลิดเพลินจนไม่มีสติจะยับยัง้งแล้วก็ยังพยายามทำตัวให้เป็นไปตามความคิดนั้นๆอยู่อย่างมั่นใจไม่ใช่หรือครับัวตาวังแล้วหน้าซีดเหมือนคนจะเป็นลมทั้งอายทั้งกลัวพูดออกมาได้เสียงสันส่น บอกว่าท่านพระอาจารย์เป็นพระที่อัศจรรย์มากผมคิดอะไรอยู่ในใจท่านรู้หมดพระอาจารย์มั่นเห็นขรัวตาแกงงกอกเงินๆงินทั้งกลัวทั้งอายทำท่าจะเป็นลมเป็นแรงไม่สบายไปก็ให้มีจิตเมตตาคิดสงสารจะขืนพูดอะไรอีกต่อไปเดี๋ยวขรัวตาจะเป็นอะไรไปก็จะแย่ก็เลยหาอุบายพูดไปเรื่องอื่นพอให้เรื่องจางไปแล้วก็ลาขึ้นถ้าสาริกา สมวันต่อมาโยมผู้ปฏิบัติครัวตาองค์นั้นได้ขึ้นไปนมัส ก, การพระอาจารย์มั่นในร้ำแล้วก็กราบเรียนให้ทราบว่าครัวตาองค์นั้นน่ะหนีไปอยู่ที่อื่นเสียแล้วตั้งแต่เมื่อเช้าวหวานนี้ให้เหตุผลว่าอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ไหวแล้วเพราะพระอาจารย์มั่นมาหาแล้วก็เทศอาตมาสยกหนึ่งหนักหนักอาตมาอายพระอาจารย์มั่นแทบจะเป็นลมสลบไปต่อหน้าท่านถ้าพระอาจารย์มั่นขืนเทศต่อไปอีกประโยคสองประโยคอาตมาต้องล้มตายต่อหน้าท่านแน่แน อาตมาอยู่ไม่ได้แล้วอับอายขายหน้าเหลือประมาณต้องไปจากที่นี่แล้วเอออาตมาคิดยังไงพระอาจารย์มั่นท่านรู้หมดธรรมดาปุตุชนก็ย่อมจะมีคิดดีบ้างชั่วบ้างเป็นธรรมดาจะห้ามไม่ให้คิดได้ยังไงทีนี้พอคิดอะไรพระอาจารย์มั่นรู้เสียหมดอย่างนี้ท่านก็อยู่ไม่ได้แน่แนหนีไปตายที่อื่นดีกว่าอย่าอยู่ให้พระอาจารย์มั่นท่านคอยเป็นห่วงกังวลหนักใจด้วยเลย พระอาจารย์มั่นทราบแล้วก็เกิดความสลดใจที่ทําคุณแต่ปรากฏว่าเป็นโทษโปรดสัตว์ได้บาปที่พูดไปก็เป็นการเตือนขรัวตาด้วยเจตนาดีมีเมตตาอยากจะให้หยุดคิดอ่วงกังวลครอบครัวลูกเมียแล้วก็หลานหลานเสียเพราะว่าการสละเพศคารวะาออกมาบวชพระเนี่ยก็เป็นการตัดขาดจากครอบครัวลูกเมียญาติพี่น้องโดยสิ้นเชิงแล้วตัดขาดจากทรัพย์สมบัติตัดขาดจากทางโลกโดยสิ้นเชิง เพื่อมุ่งบำเพ็ญเพียรสมณธรรมทำให้แจ้งซึ่งมรรคผลนิพพานตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจากวันนั้นเป็นต้นมาพระอาจารย์มั่นก็ระวังไม่ได้สนใจคิดส่งกระแสจิตไปถึงกรัวตาอีกแล้วก็ถือเป็นบทเรียนที่จะไม่ทักดักใจคนอื่นทั้งความคิดนึกทั้งทางดีและชั่วโดยไม่พิจารณาให้รอบครอบซสก่อนเดี๋ยวเจ้าตัวผู้ฟังจะเสียขวัญได้รับความกระทบกระเทือนใจโดยไม่จาเป็น อันการทักดักใจคนด้วยเจโตปริยยาา น, นี้มันเหมือนมีดดาบสองคมพึงใช้ให้เป็นให้ถูกกาละเทศะแล้วตัวบุคคลจึงจะชอบจึงจะควรเพราะว่าใจคนเราในย่อมเหมือนเด็กอ่อนพึ่งจะฝึกหัดเดินเปะปะไปตามเรื่องผู้ใหญ่เป็นเพียงคอยดูแลสอดส่องเพื่อไม่ให้เด็กเป็นอันตรายเท่านั้นไม่จำเป็นจะต้องไปกระวนกระวายกับเด็กให้มากไปใจของสามัญชนก็เหมือนกันปล่อยให้คิดไปตามเรื่อง ถูกบ้างผิดบ้างดีบ้างชั่วบ้างเป็นธรรมดาจะให้ถูกต้องดีงามอยู่ตลอดเวลาย่อมเป็นไปไม่ได้ท่านพระอาจารย์มั่นมักจะเทศนาธรรมสั่งสอนพระเนนสานุสดีอยู่เสมอว่าผู้ก้าวเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็คือผู้ก้าวเข้ามาหาความรู้ความฉลาดเพื่อคุณงามความดีทั้งหลายไม่ใช่เข้ามาเพื่อสั่งสมความโง่เขลาเบาปัญญาต่อเล่เหลี่ยมของกิเลสตัวหลอกลวง แต่เพื่อบวชเข้ามาเพื่อแสวงหาอุบายปัญญาพลิกแพลงให้ทันเรื่องของกิเลสตัางหากเพราะว่าคนเราอยู่และไปโดยไม่มีเครื่องป้องกันตัวย่อมไม่ปลอดภัยต่ออันตรายทั้งภายนอกและภายในเครื่องป้องกันตัวของนักบวชคือหลักธรรมวินัยมีสติปัญญาเป็นอาวุธสำคัญเป็นผู้มั่นคงต่อสิ่งทั้งหลายไม่สะทกสะท้านจึงควรเป็นผู้มีสติปัญญาแฝงอยู่กับตัวทุกอิริยาบถ จะคิดจะพูดจะทำอะไรก็าตามไม่มีการยกเว้นสติปัญญาที่จะไม่เข้ามาสอดแทรกอยู่ด้วยทั้งในวงงานที่ทำทั้งภายนอกภายในจะเป็นที่แน่นอนต่อคติของตัวทุกๆระยะไปพระเนรไม่ควรเป็นคนอ่อนแอโง่เง่าวุ่นวายอยู่กับอารมณ์เครื่องผูกพันด้วยความนอนใจแล้วก็เกียดคร้านในกิจการที่จะยกตนให้พ้นภัยวัตะสงสารพระ จึงเป็นผู้ที่พร้อมแล้วเพื่อจะข้ามโลกสงสารไม่มีงานใดจะหนักน่วงท่วงใจยิ่งกว่างานยกจิตให้พ้นจากห้วงแห่งวัตฏะทุกข์งานนี้เป็นงานที่ต้องทุ่มเททั้งกายทั้งใจแม้ชีวิตก็ยอมสละไม่อะไรเสียดายจะเป็นจะตายก็มอบไว้กับความเพียรเพื่อจะรื้อถอนตัวให้พ้นจากหลุมลึกคือกิเลสทั้งมวลเพื่อจะได้ไม่ต้องมาเกิดมาแบกหาบหามกองทุกกองบาปนานๆชนิดอีกต่อไป ตอนกลางคืนดึกสงัดราวตีสี่ท่านคิดถึงท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูประมาจารยร์วัดบรมนิวาสพระนครว่าเวลานี้ท่านเจ้าประคุณกำลังทําอะไรอยู่หนอก็กำหนดจิตจากถ้ำสริกาเขาใหญ่มาดูท่านเจ้าคุณพระอุบาลีที่กรุงเทพพลันก็ทราบว่าเวลานั้นเจ้าคุณพระอุบาลีกาลังพิจารณาปัจจัการคืออวิชชาอยู่ พระอาจารย์มั่นทราบใจท่านเจ้าคุณอุบาลีโดยตลอดแล้วก็จดจําวันเวลาไว้อย่างแม่นยําครั้นเวลาเดินทางลงมากรุงเทพเมื่อได้โอกาสเข้าน้ำมศ ก, การท่านเจ้าคุณก็เรียนให้ท่านทราบถึงเรื่องที่ท่านเจ้าคุณพิจารณาปัจจัยาการคืออวิชชาอยู่ในคืนก่อนท่านเจ้าคุณพอทราบอย่างนั้นก็ตะลึงเลยต้องสารภาพว่าเป็นความจริงทุกประการเนืตา่างไยก็พากันหัวเราะพักใหญ่ ท่านเจ้าคุณก็กล่าวชมเชยว่าท่านมั่นนี่เก่งจริงๆเราเองขนาดเป็นอาจารย์แต่ไม่เป็นท่าหน้าอายท่านมั่นเหลือเกินท่านมั่นเก่งจริงๆเออให้ได้อย่างนี้สิลูกศิษย์พระตถาคตถึงจะเรียกว่าเดินตามครูพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเทระนี่ท่านเกิดวันพฤหัสบดีเดือนยี่ปีมาแม่ตรงกับวันที่21มกราคมปีพุทธศักราช2413 เกิดที่บ้านคำบงตำบลโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีโยมพ่อของท่านชื่อนายคำดวงแก่นแก้วโยมแม่ชื่อนางจันปู่ของท่านชื่อเพียแก่นเท้ามีพี่น้องร่วมบิดามดาก้าคนท่านเป็นลูกชายคนหัวปีพระอาจารย์มั่นรูปร่างเล็กผิวขาวแดงลักษณะเข้มแข็งว่องไวสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดมาตั้งแต่เล็ก สมัยนั้นไม่มีโรงเรียนประชาบาลใครจะเรียนหนังสือต้องเข้าวัดเป็นลูกศิษย์วัดถึงจะเรียนได้พระอาจารย์มั่นได้เข้ามาอยู่ในวัดเมื่ออายุได้15ปีแล้วก็บวชเป็นสัมมเนรที่วัดบ้านคำบงเล่าเรียนอักษรไทยอักษรธรรมและอักษรขอมเนื่องจากท่านมีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดมากสนใจใครรู้ธรรมะประจำนิสัยก็ทาให้สามารถเรียนรู้พระสูตรต่ตางๆได้อย่างรวดเร็วเป็นที่ยกย่องชมเชออยของครูบาอาจารย์ ประกอบกับมีนิสัยความประพฤติเรียบร้อยใจคอยเยือกเย็นไม่โกรธใครง่ายๆให้อภัยคนอื่นมองคนอื่นในแง่ดีงามอยู่เสมอท่านก็เลยเป็นที่รักใคร่ของหมู่คณะแล้วก็ครูบาอาจารย์เป็นพิเศษท่านบวชเป็นสามเณรอยู่สองปีจนอายุได้17ในคำด่วงก็เลยขอร้องให้ศึกเพื่อให้มาช่วยเลี้ยงวัวเลี้ยงกวกยทาไร่ไถนาเป็นการแบ่งเบาภาระของบิดามารดา แล้วก็ของน้องๆทีแรกพระจันทร์มั่นจะไม่ยอมศึกเพราะว่ามีจิต ด, ดื่มดำรักพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งอยากรู้อยากเห็นในธรรมอยากจะเล่าเรียนต่อไปแต่ทนอ้อนวอนของโยมพ่อไม่ไหวก็เลยจำใจศึกออกมาช่วยทำนาขั้นต่อมาอีกห้าปีอายุได้22สปีพระจันทร์มั่นก็ได้บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาสมความตั้งใจ ในระยะห้าปีระหว่างอายุ1 7บเถึงยีก่อนที่จะบวชพระนี้พระจันทร์มั่นก็เหมือนคนหนุ่มวัยคนองทั้งหลายนั่นเองเมื่อถึงฤดูการทำนาท่านก็ทำนาช่วยพ่อแม่แล้วก็น้องๆ อ, อย่างขยันขันแข็งเวลาไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกับเพื่อนผงท่านก็สมาคมกระเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควายลูกชาวบ้านเดียวกันมีการเล่นหัวกันอย่างสนุกสนานร่าเริงด้วยเกมต่างๆแล้วก็หัดร้องรําทําเพลงกันไปตามประสา เมื่อถึงฤดูเทศกาลงานบุญก็เที่ยวเตร่เฮฮาสนุกเรื่องเริงบันเทิงใจตามวิสัยโลกธรรมชาวบ้านท่านมีความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับขับลำนำคำร้องพื้นบ้านอันไพเราะโดยเฉพาะกรอนหมอลำท่านได้ไปขอหนังสือกรอนลำเพลงมาจากครูหมอลำคนหนึ่งแล้วก็ฝึกหัดลำท่วงทำนองต่างๆได้อย่างรวดเร็วแค้นท่านก็เป่าเก่งด้วยสมองอันยอดเยี่ยมความจารวดเร็วแม่นยา พระกวดท่านสามารถลํำเพลงพื้นบ้านได้อย่างรวดเร็วหมดตำราจนครูหมอล้ำนี่อัศจรรย์ใจท่านสามารถลํำล่องโขงได้อย่างไพเราะมากกรอนแอลล่องโขงของท่านใครฟังแล้วต้องเคลอบเคลิมน้ําตาซึมทีเดียวลํำกรอนเดินดงด้านป่าชมนกชมไม้ในพนาในท่านก็เป็นยอดลํำเกี่ยวสาวลํำแก่ลํำกระแตเต้นไม้ท่านก็เก่งเรียกว่าเป็นหมอลํำเพลงแคนสมัครเล่นที่เพื่อนผูงและชาวบ้านเขายกย่อง แล้วก็มักจะขอร้องให้ท่านขับลำทำเพลงให้ฟังเพื่อความสนุกคลืค้นอยู่เสมอมีเรื่องสนุกสนานขำขันอยู่เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องขับลำคําเพลงของพระอาจารย์มัน่นเรื่องมีอยู่ว่าคราวนึงชาวบ้านได้จัดงานบุญขึ้นใหญ่โตมีคนไปเที่ยวมากมายเป็นพันๆจากหมู่บ้านต่างๆแถบและแวกถิ่นโขงเจียมทางเจ้าภาพเขาก็ว่าจ้างหมอลำสาวผู้มีชื่อเสียงโด่งดังคนหนึ่งมาลำแ่นในงานนี้ พระอาจารย์มั่นตอนนั้นเป็นหนุ่มคึกขนองยังไม่ได้บวชพระท่านก็เกิดนึกสนุกขึ้นมากระโดดขึ้นไปบนเวทีหมอลำขอลำเพลงประชันกับหญิงสาวคนนั้นหมอลำสาวก็ยินดีที่จะลำประชันกับท่านเพื่อนผูงที่ไปด้วยต่างก็ตกตะลึงไปตามๆกันพอได้สติก็พากันคัดค้านห้ามปรามหนุ่มมั่นไม่ให้ลำเพลงประชันกับหญิงสาวเพราะรู้ดีว่าหญิงสาวสวยคนคนนี้ยลำเก่งมาก ยิ่งล้ำกรอนสดๆแ ล, แล้วก็เป็นต้อนคู่แข่งที่เป็นหมอลำผู้ชายถึงก็จนแต้มต้องกระโดดหนีลงจากเวทีมาแล้วหลายงานเพื่อนผูง้ง่วกลัวหนุ่มมั่นจะแพ้ห้าแต้มไม่เป็นท่าเพราะว่าเป็นเพียงหมอลำสมัครเล่นประเดี๋ยวจะเป็นที่อับอายขายหน้าชาวบ้านไปซะเปล่าๆไม่เข้าท่าแต่ท่านมั่นกับหัวเราะไม่ฟังเสียงคัดค้านของเพื่อนๆก็ยืนยันจะขับเพลงลำโต้กับหญิงสาวให้ได้จะโต้กันตลอดรุ่งก็ยังไหวไม่มีกลัว เพื่อนๆก็ลอว่าเจ้ามั่นในหลงรักสาวหมอลำคนสวยเขาให้แล้วมังจะทําตัวเป็นแมลงเม้าบินเข้ากองไฟเมื่อห้ามไม่เชื่อเพื่อนผูงก็ปล่อยเลยตามเลยพอเพลงแคนเริ่มต้นขึ้นหนุ่มมั่นก็ขับลำเพลงอันไพเราะเจ้ยเยจ้วยังอาธานร่าเริงเชื่อมั่นในตัวเองท่ามกลางเสียงปรบมือโห่ร้องต้อนรับมังคนดูเป็นพันๆอึงคนหนึง่งพอขับลำจบลงก็เป็นผายของหมอลำสาวคนสวยสเสน่ห์แรงลำโต้ตอบบ้าง ลํากันไปลํากันมาอย่างสนุกสนานคึลื้นก็ปรากฏว่าท่านมั่นลําสู้ฝีปากคารมแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆของหญิงสาวไม่ได้เห็นอย่างชัดเจนเลยทีเดียวยิ่งขับลําไปก็ยิ่งเป็นผายแพรถูกหญิงสาวต้อนเอาแบบตีไม่เลี้ยงเล่นเอาท่านมั่นในเหงื่อแตกพราะหานขับลําสู้กับมือชั้นครูเห็นเป็นผู้หญิงสาวหน้าตาสวยสวยเอวบางร่างน้อยกวนึ้วว่าคงจะไม่เท่าไหร่แต่ที่ไหนได้หล่อนก็แม่เสือสาวดีๆนี่เอง ขณะที่ท่านมั่นกำลังขับลําเหือแตกตอบโต้หญิงสาวไปแกนแกนอย่างผืนใจนี่พอดีก็มีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยไว้ได้ทันท่วงทีมันเทวดาโปรดนั่นก็คือเพื่อนผูงที่อยู่ข้างเวทีเห็นท่านมั่นกำลังถูกหญิงสาวต้อนเอาต้อนเอ า, อเอาด้วยเชิงกรอนต่างๆย่ำแย่ไปเลยคืนปล่อยให้ท่านมั่นขับกรอนลาสู้ตกดึกไปกว่านี้ ท่านมั่นมีหวังหมดภูมิต้องกระโดดวิ่งหนีเอาหน้าไปสุกดินด้วยความอับอายขายหน้าเป็นแน่แน่ไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆ น, นก็รีบพากันไปตามหาตัวชายหนุ่มรุ่นพี่คนนึงชื่อในจันทร์สุปสอนซึ่งเป็นเพื่อนคนสําคัญที่ใครๆนับถือเกรงใจหนุ่มจันทร์สุประสอนผู้นี้ต่อมาได้บุเรียนมีชื่อเสียงมีบรารมีโด่งดังได้นามว่าท่านเจ้าคุณพระอุบาลีกุณูปมาจานันวัดบรมนิวาพระนคร เมื่อพบหนุ่มจันทร์ในงานแล้วก็ขอร้องให้หาทางช่วยท่านมั่นทีขืนปล่อยให้ขับลำโต้ตอบผู้หญิงสาวต่อไปมีหวังท่านมั่นต้องหามลงจากเวทีแน่แนหนุ่มจันท์ก็หัวเราะตอบว่าท่านนั่งฟังท่านมั่นขับลำโต้ตอบกับหญิงสาวอยู่อย่างเอาใจใส่ตลอดเวลาเห็นว่าท่านมั่นนมีหวังต้องหามลงจากเวทีแน่แน่เพราะสู้กรอลำอันเฉลียวฉลาดลึกซึ้งแตกฉานของผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ เจ้ามั่นไม่รู้จักแม่เสือสาวเนี่เห็นเป็นสาวงามหน้าขาวขาวจะฟ้อนจะลัมก็อ่อนแอ่อระชรก็นึกว่าหมูสนามเออเราจะต้องช่วยเจ้ามั่นไม่ให้สามเพลงตกมาตายว่าแล้วหนุ่มจันนึกท่านเจ้าคุณอุบาลีก็รีบแวกผู้คนนับพันพันกระโดดขึ้นไป บ, บนเวทีแล้วก็ออกอุบายแกล้งร้องขึ้นดังๆไอ้มัน่นไอ้หฮากูเที่ยวตามหามึงแทบตายแม่มึงตกจากบ้านน่ะสูงเิ้วลงมากองอยู่กับพื้นอาการเป็นตายเท่ากันเน่ย ปะกูโปรจะเข้าไปช่วยเขาก็ใช่กูรีบมาตามหามึงตั้งแต่กลางกลงวันแล้ววะกูตามหามึงแทบตายข้าวเยอะไม่ได้ตกถึงทองเลยน้อยหามึงหนีมาแอวมารําอยู่นี่เองกูจะไปลมตายอยู่แล้วหิวข้าวจะตายมึงรีบไปดูอาการแม่มึงเดี๋ยวนี้นะหนุ่มมั่นได้ฟังอย่างนั้นก็ตะลึงตกใจหน้าสิดสาวหมอลําคนสวยฟีปากกล้าก็ตกตะลึงเหมือนกันหนุ่มจันก็ถือโอกาสฉุดแขนหนุ่มมั่นลากลงเวทีไปไม่รอช้า ทามกลางสายตาของผู้คนจำนวนพันที่พากันตกตะลึงพึงเพลิดไปตามตามกันต่อมาเมื่อในมั่นอายุได้ยี่สิบสองปีท่านได้สละเพศยรคารวาตเข้าอุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อวันที่สิบสองมิถุนายนปีพุทธศักราชสองพันสสามสิบหกที่วัดสีทอง โดยมีพระอริยกวีอ่อนเป็นพระอุปชาพระครูศีทาเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระครูประจักอุบลคุณเป็นพระอนุสาวนาจารย์พระอุปชาให้ฉายาว่าภูริทัตโตเมื่ออุปสมบทแล้วพระภิกษุมั่นก็ฝากตัวเรียนวิปัสสนากรรมฐานที่สำนักวัดเลียบในเมืองอุบลราชธานีโดยมีท่านพระอาจารย์เสากันต์ศิโล เป็นพระอาจารย์สอนวิปัสนาการเข้าฝึกวิปัสนากรรมฐานนี้พระภิกษุมั่นได้ยึดเอาคําพุโทโธเป็นคําบริกรรมภาวนาสมถกรรมฐานเพราะว่าท่านชอบคําพุโทโธนี้อย่างกินใจลึกซึ้งดื่มด่าเป็นพิเศษมากกว่าบทธรรมะอื่นๆและในเวลาต่อมาจบกระทั่งตลอดชีวิตของท่านก็ได้ยึดเอาคําภาวนาพุโทโธนี้ใช้บริกรรมประจําใจในอิริยาบทต่างๆในการเจริญวิปัสนาทุกครั้ง เมื่อถือเพศสมณะอย่างเต็มภาคภูมิแล้วท่านก็ตัดขาดทางโลกอย่างสิ้นเชิงโดยไม่แลเหลี่ยวความคึกขนองในสมัยเป็นหนุ่มไม่มีหลงเหลืออยู่เลยกลับกลายเป็นคนละคนทีเดียวท่านเต็มไปด้วยจริยาอันสำรวมเคร่งครัดในพระธรรมวินัยเป็นอย่างยิ่งไม่มีวอกแวกยึดถือทำธุดงควั์อย่างเหนียวแน่นเอาเป็นเอาตายด้วยใจรักอันเด็ดเดียวไม่ให้มีผิดพลาดได้แม้แต่นิดเดียวสืบมาตลอดชีวิตอันยาวนานของท่าน จนถึงวาระสุดท้ายเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนกเกษมทาทุดงควัตที่ท่านยึดถือเป็นข้อปฏิบัติมีเจ็ดข้อก็คือหนึ่งถือผ้าบังสุกุลเป็นเครื่องนุ่งหม่มเมื่อชำรุดเปื่อยขาดไปก็เย็บปะชุนด้วยมือตัวเองยอมเองเป็นสีแก่นขนุนหรือ ว, ว่าสีกรกซึ่งเป็นสีน้ำตาลเข้มไม่ยอมรับ ผ้าไตรจีวรสวยๆงามๆที่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายถวายด้วยมืออย่างเด็ขดขาด 2. ออกบินธบาต ท, ทุกวันเป็นประจำแม้จะป่วยไข้ก็ต้องพยายามพยุงกายออกบินทบทัตยกเว้นเฉพาะวันที่ไม่ขบฉันอาหารเพราะเร่งบำเพ็ญเพียรภาวนากรรมฐานด้วยความเพลิดเพลินในธรรมซึ่งมีอยู่บ่อยๆที่ท่านเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันโดยไม่ขบฉันอาหารเลย 3. ไม่ยอมรับอาหารที่ญาติโยมพุทธบริษัท ต, ตามไปส่งทีหลังท่านจะรับเฉพาะที่ใส่บาทเท่านั้น 4. ฉันมือเดียวคือฉันวลัลละหนไม่ยอมฉันอาหารว่างใดๆทั้งสิ้นที่เป็นอมิตรเข้าปะปน 5. ฉันอาหารในบาทคือมีภาชนะใบเดียวไม่ยอมฉันในสหรับกับข้าวที่มีอาหารต่างๆอาหารข้าวหวานทั้งหลายคลุกเคล้ามารวมกันในบาท ก็ฉันอย่างนั้นไม่ติดใจในรสชาติอาหารฉันเพียงเพื่อยังสังขารให้พออยู่ได้เพียงเพื่อจะได้บําเพ็ญเพียรภาวนาสร้างบารมีธรรม 6. อยู่ในป่าเป็นวัดคือท่องเที่ยวเจริญสมณธรรมกรรมฐานอยู่ตามร่มไม้บ้างในป่าธรรมดาบ้างในภูเขาบ้างในหุบเขาบ้างในถ้ำในเงื่อมผาอันพิษเป็นที่สงัดวิเวกห่างไกลจากชุมชน 7. ถือผ้าไตรจีวรเป็นวัดคือมีผ้าสามผืนได้แก่สังกติจีวรแล้วก็สบงเว้นผ้าอาบน้ำผลซึ่งจำเป็นจะต้องมีเป็นธรรมดาในสมัยนี้สำหรับธุ๊ดงควัดข้ออื่นๆนอกจากที่กล่าวมานี้แล้วพระอาจารย์มั่นสมาทานและปฏิบัติเป็นบางสมัยแต่เฉพาะเจดข้อข้างต้นนี้ท่านปฏิบัติเป็นประจาจนกลายเป็นนิสัยซึ่งจะหาผู้เสมอเหมือนได้ยากในปัจจุบัน เมื่อแรกเริ่มปฏิบัติวิปัสนาใหม่ๆในสำนักพระอาจารย์เสากันตาซีโลวัดเรียบอุบลราชธานีพระอาจารย์มั่นได้สุบินนิมิตในคืนวันหนึ่งว่าท่านได้เดินทางเข้าไปในป่าใหญ่อันรกชัดเต็มไปด้วยขวากหนามจนแทบจะหาที่ดันด้นไปแทบไม่ได้แต่ท่านก็พยายามซอกซอนกว่าไปจนได้พอพ้นป่าใหญ่ก็พบทุ่งกว้างใหญ่ไพศาลพบต้นชาต ล้มจมดินอยู่กลางทุ่งเปลือกและกระพีผุพังต้นชาตินี้ใหญ่โตมากท่านได้ปีนขึ้นไปบนขอนไม้ใหญ่นี้แล้วพิจารณาด้วยปัญญาพลันธรรมะปัญญาก็ผุดขึ้นในใจว่าต้นไม้ใหญ่นี้ล้มแล้วเริ่มผุพังแล้วไม่มีทางจะงอกเงยขึ้นมาอีกได้ชื่อต้นชาติก็เปรียบได้กับชาติภพของท่านต่อไปนี้ถ้าท่านไม่ลดละความเพียรเสียจะต้องตัด ชาติตัดพบตัวเองให้สิ้นสุดลงไม่มีการเกิดในสังสารวัตหรือว่ากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกอีกต่อไปอันว่าทุ่งกว้างเวงวางสุดลูกหูลูกตานี้เปรียบได้กับความไม่มีสิ้นสุดของวัฏจักรของสัตว์โลกทั้งหลายนั่นเองขณะที่ท่านใช้อารมณ์วิปัสสนาอยู่บนขอนชาตินี้พลันทันใดนั่นก็มีม้าขาวตัวหนึ่งสูงใหญ่สง่างามมาจากไหนไม่รู้ เข้ามายืนเทียบขอนชาติแสดงกิริยาอาการสนิทสนมคุ้นเคยกับท่านอย่างน่ารักท่านจึงก้มลงเอามือลูบหัวมันด้วยความเอ็นดูเสร็จแล้วก็นึกอยากจะขี่มันเล่นก็ก้าวจากขอนชาติขึ้นไปนั่งบนหลังมา้าทันทีที่ท่านนั่งลงบนหลังมันมันก็พาท่านห่อตะบึงไปอย่างรวดเร็วประดุดลมพัดขณะที่ม้าพาวิ่งไปก็รู้สึกว่าท้องทุ่งกว้างใหญ่ไพศาลเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุด มาวิ่งมาได้พักใหญ่ก็แลเห็นตู้พระไตรปิฎกสีขาวสวยงามมากตั้งอยู่กลางทุ่งกว้างข้างหน้ามีประกายสุขสว่างคล้ายๆติดไฟนีออนไว้อย่างนั้นมาก็พาท่านวิ่งเข้าไปหาตู้พระไตรปิฎกนี้โดยไม่ได้บังคับเลยท่านกระโดดลงจากหลังมาแล้วก็เดินตรงเข้าไปหาตู้พระไตรปิฎกตั้งใจว่าจะเปิดออกดูแต่ไม่ทันได้เปิดดูก็พลันสะดุ้งตื่นขึ้น ต่อมาเมื่อท่านมีกำลังจิตสมาธิมั่นคงพอสมควรบ้างแล้วได้ย้อนพิจารณาสุบินิมิตนี้อีกด้วยปัญญาอันแหลงคมก็ได้ความว่าชีวิตคนเรานี้เปรียบเหมือนบ้านเรือนอันเป็นที่รวมแห่งสัปปทุกขป่ารกชัดดงใหญ่ย่อมเป็นแหล่งที่อาศัยของสัตว์ ร, ร้ายอันมีภัยน า, นานาชนิดแล้วทำอย่างไรคนเราจึงจะไปให้พ้นจากที่รวมแห่งทุกข์และไปให้พ้นจากภัยอันตรายของสัตว์ ร, ร้ายทั้งปวง อันหมายถึงกิเลสมันการสละเพศคารวะาออกบวชเท่านั้นเป็นทางเดียวที่จะไปให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้เพราะการบวชประพฤติ ธ, ธรรมก็คือการบวชซักพ่อจิตให้พ้นจากความผิดมลทินโทษทั้งหลายมาขาวสง่างามฝีเท้ากล้าก็คือพาหะอันบริสุทธิ์ของผู้ทรงภูมิธรรมที่จะขี่ข้ามทุ่งกว้างอันเปรียบได้กับสังสารวัตการได้พบตู้พระไตรปิฎกอันวิจิตรสวยงาม แต่ไม่ได้เปิดดูเพื่อศึกษาให้แตกฉานสมใจเต็มภูมิที่กระหายใคร่รู้เป็นนิมิตแสดงว่ากว่าท่านจะบรรลุธรรมขั้นสูงสุดจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานับประการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองเป็นนักปราดได้ตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยตำราแต่ก็จะทรงความเป็นปฏิสัมพิทธานุสัตว์มีเชิงฉลาดในเทศนาวิธีอันเป็นบาทวิถีแกมบูชนพอเป็นแนวทางเท่านั้น ไม่ลึกซึ้งเหมือนภูมิธรรมแห่งจตุปติสัมพิทาญาณทั้งสี่หมายความว่าในสุบินิมิตนั้นถ้าท่านได้เปิดตู้พระไตรปิฎกอ่านแล้วจะทรงคุณธรรมพิเศษปฏิสัมพิทาญานอันเป็นคุณธรรมพิเศษยอดยิ่งครอบอภิญญาหกไว้ทั้งหมดแต่แล้วท่านก็ไม่ได้เปิดตู้พระไตรปิฎกออกศึกษาการเจริญวิปัสสนาระยะแรกที่วัดเรียบนี้คืนวันหนึ่งท่านได้ อุคหะนิมิตในสมาธินิมิตนั้นเป็นภาพคนตายผู้พองน้ำหนองไหลขึ้นอืดเต็มที่มีแรงกาและสุนัขมายื้อแยง่งจิกกินลากไส้ออกมาขยะขยงยิ่งนักเป็นภาพที่ก่อให้เกิดความสะอิสเอียนน่ารังเกียจชวนให้เบื่อหน่ายในสังขารแล้วก็สลดสังเวชไม่มีประมันท่านก็พยายามไม่สนใจภาพซากศพนี้ใช้กระแสจิตขจัดให้หายไป แต่พอหายไปได้เล็กน้อยภาพนี้ก็ปรากฏขึ้นในสมาธิอีกครั้งครั้งแล้วครั้งเล่าคล้ายๆจะหลอกหลอนอารมณ์ท่านก็เปลี่ยนอุบายวิธีใหม่เพ่งเอานิมิตซากศพนิยกขึ้นพิจารณาเจริญวิปัสนาเต็มที่บอกตัวเองว่าดีแล้วเมื่อซากศพนี้ไม่ยอมหนีมาหลอนอารมณ์อยู่เรื่อยๆ เ, เราจะเอาซากศพเป็นครูจากนั้นท่านก็เพ่งพิจารณาซากศพโดยสม่ำเสมอไม่ลดละ เดินจงกรมก็ยึดเอานิมิตซากศพเป็นเครื่องพิจารณานั่งก็ภาวนายึดเอาซากศพมาพิจารณาไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดท่านไม่ยอมให้นิมิตภาพซากศพนี้ได้เลือนหายไปเลยแม้แต่เวลาเดินไปบิณฑบาต ท, ท่านก็พิจารณาถึงซากศพนี้ในที่สุดหลังจากเพ่งซากศพนี้พิจารณาโดยสม่ำเสมอไม่ลดละนิมิตซากศพอันหน่ารังเกียจขยะขยงก็แปลเปลี่ยนไป เป็นดวงแก้วสุกใสยอยู่ตรงหน้าท่านรู้สึกประทับใจในดวงแก้วนี้มากแทนที่จะกำจัดภาพนี้ให้หายไปไม่สนใจท่านกลับรู้สึกชอบใจหลงไหลเพ่งดวงแก้วนี้ต่อไปปรากฏว่า น, นักเข้าดวงแก้วได้แปลเปลี่ยนสภาพไปต่างๆนานาอย่างพิสดารพันลึกเป็นภูเขาบ้างเป็นปราสาทราชวังบ้างเป็นวัดว า, ารามบ้างแล้วก็อะไรต่ออะไรพลึกพลือรอ้ อ, รอยแปดพันประการ ท่านพิจารณาแบบนี้อยู่สามเดือนยิ่งพิจารณาไปเท่าไรก็เห็นสิ่งมาปรากฏมากมายไม่สิ้นสุดเมื่อออกจากสมาธิภาวนาแล้วเวลาอารมณ์กระทบกับสิ่งแวดล้อมก็หวั่นไหวมีอารมณ์ดีใจเสียใจรักชอบเกลียดชังไปตามเรื่องถ้าให้ท่านฉุกใจคิดว่าการภาวนาสมาธิาาแบบนี้เห็นจะผิดทางแน่แล้วสมาธิภาวนาย่อมจะยังใจให้สงบระงับมีแต่ความชุ่มชื่น แต่นี่พอถอนจิตออกจากสมาธิภาวนาแล้วมีแต่ความหวั่นไหวในอารมณ์ไปต่างนาน า, น า, นาตามแบบชาวโลกเราดำเนินผิดทางแน่แล้วเมื่อตรึกตรองรอบคอบแล้วพระอาจารย์มั่นยังได้เปลี่ยนอุบายใช่ไหมเจริญวิปัสสนาย้อนจิตเข้ามาในวงแห่งร่างกายตัวเองพิจารณาอยู่เฉพาะกายไม่ส่งจิตติดตามนิมิตออกไปภายนอกอย่างเลิดเปิดเปิงอย่างแต่ก่อนการพิจารณากายนี้ พิจารณาตามเบื้องบนเบื้องล่างด้านขวางและสถานกลางโดยรอบใช้สติกำหนดรักษาโดยการเดินจงกรมไปมามากกว่าอิริยาบถอื่ น, นเวลาเปลี่ยนอิริยาบถเป็นนั่งสมาธิภาวนาก็ไม่ยอมให้จิตยังลงสู่สมาธิเหมือนแต่ก่อนแต่ให้จิตท่องเที่ยวไปตามร่างกายส่วนต่างๆพิจารณาตามแนววิปัสสนาอย่างเต็มที่ปรากฏว่าจากการพิจารณาแบบนี้ จิตรวมสงบลงอย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายดายผิดปกติขณะที่จิตสงบตัวลงปรากฏว่าร่างกายได้แตกออกเป็นสองภาคแล้วก็รู้ขึ้นมาในขณะนั้นว่านี่เป็นวิธีที่ถูกต้องแน่นอนแล้วไม่สงสัยเพราะขณะที่จิตรวมลงไปมีสติประจําตัวอยู่กับที่ไม่ปล่อยให้จิตไร้สติเหลวไหลเที่ยวเร่ร่อนไปในที่ต่างๆอย่างที่เคยเป็นมาในครั้งก่อนและนี่ก็คืออุบายที่แน่ใจว่า เป็นความถูกต้องในขั้นแรกของการเจริญวิปัสสนา